ที่ให้ทานให้มาแล้วได้แล้วกุศลได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งในเจ้าอุทิภูมิกุศลลยหนี่ยตรงอุทิศใครบ้างยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมล่ะอุย่าตายายมีรามนนานาญาทั้งหลายอีกยังมีไม่ใช่ชาตินี้ชาติหลังๆอีกอไม่รู้กี่พบกี่ชาติ แล้วนึกไม่ได้หรอกเจรินึกรวกยอดไปเลยจะเป็นหน้าที่ของเราทรัพสัตว์ทั้งหลายอื mm hmm. พวกที่ก็ตกทุกข์ได้ยาก mm hmm. เรานับไม่ได้หรอกว่า mm hmm. จาพวกไหน mm hmm. อยู่ในเรืว่าเรวมยอดเลยทรัพสัตว์ทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลาย ผู้ต้องการบุญกุศลขอสู่เจ้าชงอนุโมทนาเอาเถิดบุนกรรมไขกรรมมันหน้าที่ของเราเป็นปัดติทานใหม่บุญเฉลย้ายการให้ส่วนบุญมันเป็นบุญบุญกิียาวถปูประหนึ่งไม่ใช่หมดไปนะมันได้บุญเพิ่ม ม, มันได้บุญเพิ่ม เหือดนั่นนะฮะยาตานีจะเข้าใจวมันหมดไปปัจจานุโมทนาไม่อยากได้ก็สาธุเอาเพรได้ยิงข่าวก็สาธุได้ง่ายๆไม่ต้องหมดอะไรนั่นละพวกที่เอเขาทำไม่ได้นะเพื่ชวนทั้งหลายที่เขาล่วงล้ำดับขันไป อยู่โลกหน้าเนี่ยเขาได้เขาสาธุได้น้อยนิดเดียวอืมก็สาธุเนาะมันก็เป็นธรรมดามันให้มันได้เยอะมันมันไม่ใช่อืของเรานี่เราทำบุญเราแล้วนี่เราทำอ่เราเพราะเราได้บุญแล้วก็เลยอุทิศ เมื่อแพ่ย์ชื่ออาจารย์ผู้เมื่มีโอกาสได้บุญเพิ่มอีกเดี๋ยวปฏิฐานทำไมบุญจำเป็นต้อการให้ส่นบุญจนเวลาทำบุญเวลาทำไดนะ้ให้ผู้ทีท่ได้ไม่จะได้เพิ่มบุญอยู่ในบุญกิริยาวัฏฏุนบุญกิริยาวัฏฏุสิบเพาจะรู้เนอะสิอย่าง ถ้าเราอยากได้ก็เหมือนกับพวกอดี่รองรับกันไปปัจจานุโมทน า, มาใหมบุญสุรเดีวกันด้วอกันอนุโมทนาส่วนบุญเมื่อรู้ว่าเขาทำบุญแล้วให้อนุโมทนา ถ, ถ้าเราได้ยินข่าวนั้นใ ห, ใ ห, ใหน้นึกให้มันเกิดศรัทธาขึ้นมา เนี่ก็ะาสทุกกระแสทุกกระแสทุกมันได้พูดนะพูดเดียวเดียพูดรู้พูดเดียวเดียบาปก็ได้จากคูนี่เขาใจนะเวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บมได้เลยโลบาโทเาวง่าย เห็นในในระวังหรือ่าเห็นาคุตสัจนงให้ให้ฆ่าโลภะโทสะโมหะอืมเราโลภะโทสะโมหานี้เป็นเหตุให้ทำบาปำกรรมอจะสคาโลคาโลภะโทสะได้เลยมันจะเป็นเลือดแก่กุศลมหากุศลอืมชังพระนิพพาน โลกุตะละกุสน้อยสูงขึ้นไปอีกเยอะเงียบเนี่ยแหละให้ประกันดังตัวอกตั้งใจทำให้มันถูกเอาใจให้พรอยจ่อเว่าเป็นพิเศษ สับบารโอวินิมุโตสัพสันตานภาวชิโตสัพพเวรมติกันโตนิมุโตจตุวังภาวสัพพีติโยวิวัชชะตุสัพบโรโวินัสจตุมาเตภาวตุอัตรตายโยสุคีริ กายุกับพระอาภิวาทนาสริศนิจงุตอาปชาญูจัตาโรธรรมาวัฏันเทียยนูสุขบาล